บทส่งท้ายบ่ายนั้นรบชนะมาติดต่องานที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเมื่อเสร็จจากทุระจึงเข้าวัดสุทัศน์ซึ่งตั้งอยู่ ใ, นในกล้ๆกันนั้นเข้าวิหารใหญ่ก่อนเป็นอันดับแรกเมื่อสายตาเห็นพระประธานโอราลิกอันเป็นสัญลักษณ์แทนความชนะภัยแล้วถึงซึ่งสารติแล้วสเสวยวิมุติสุขแล้วก็เกิดความเยือกเย็นลึกซึง้ง มหาวิหารกว้างใหญ่ดูสงบครึ้มดุดร่มโพที่ให้ผู้เร่ร่อนกลางทางวิบากทั้งหลายอาศัยหลบเงาเสมอหน้ากันรบชนะคุกเข่าเท พ, พบุตรกราบเบญจางคับประดิษฐ์ด้วยความนอบน้อมลงทั้งเสียงกล้าวใจคิดว่ากำลังกราบพระาศาสดามิได้มองว่าตนเพียงกราบพระอิทพระปูนองค์หนึ่งกราบเสร็จก็นั่งพับเพียบทอดตาแลพระปฏิมานิ่งดุดเห็นองค์พระมีจิตวิญญาณ ประทานความเมตตาเล็งเนตรมายังอุบาสกสาวกอีกคนหนึ่งของพระองค์ด้วยพระทัยอาทร น, นานครู่หนึ่งสัมผัสของเขาบอกตัวเองว่ามีกระแสจ้องมองมาจากเยื้องขวาด้านหลังพอเหลียวหน้ามองไปก็สะดุ้งเล็กน้อยเมื่อพบว่าเป็นหญิงสาวผู้เคยมีอิทธิพลกับชีวิตเขายิ่งอย่างน้อยก็ทำให้ไม่อยากเกิดมาด้วยความไม่รู้และต้องพลัดพรากจากบุคคลอันเป็นที่รักอย่างชาตินี้อีก ใจนุชยกมือไหว้เขาตามปกติรบชนะรับไหว้แล้วเป็นฝ่ายลุกไปหาหล่อนกำลังนั่งหลบมุมตามลำพังสีหน้าเศร้าหมองผิวพรรณดูซีดเซียวไม่เปล่งปลั่งสดใสยอย่างที่เคยคุ้นตารบชนะมานั่งขัดสมารตรงหน้าและยิ้มให้เงียบๆพักหนึ่งใจนุชสบตาตอบเพียงครู่ก็ผินหน้าไปมององค์พระปฏิมาติดงอนอยู่เล็กน้อยต่างฝ่ายต่างสำเนีกได้ว่ากำลังตกอยู่ภายใต้การดูแลของกรรม กำเป็นผู้จัดสรรว่าจะให้พบหรือพลากันเมื่อใดวัฏจักรของการดูดเข้าหาและผลักออกปรากฏอยู่ทุกหนทุกแห่งไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องราวระหว่างญาติมิตรและบุคคลที่เคยรักใคร่ชอบพอกระแสนในคนเราเหมือนขั้วแม่เหล็กมหาศจรย์อยู่ไกลแค่ไหนก็ดึงดูดให้โคจรมาเจอกันจนได้ถ้าถึงเวลาถึงคราวมีเหตุปัจจัยที่เหมาะสมจะต้องเกื้อกูลหรือห้าหันกัน ทุกคนตกอยู่ใต้กฎแรงดึงดูดของกระแสกรรมสัมพันธ์เพียงแต่คนทั่วไปไม่มีจิตสัมผัสที่ละเอียดพอจะทราบได้ต่อเมื่อฝึกสติจนมีกำลังพอสมควรแล้วจึงสามารถสำเนียกรู้สึกและไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกอีกต่อไปสบายดีหรือกวางเขาทักเบาแต่น้ำเสียงแจ่มใสมีกังวานอบอุ่นจนสามารถลดกริยาแงางอนเล็กๆของอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วใจนุชเบนสายตากลับมาสบกับเขา บังเอิญดีนะคะมาเจอพี่ณะที่นี่ได้รบชนะคิดในใจว่าไม่มีเรื่องบังเอิญหรอกโดยเฉพาะถ้าเป็นเหตุการณ์อันจะส่งผลกระทบอย่างสาคัญกับชีวิตคนการพบเจอการประสบเหตุหรือการมาประชุมกันของเรื่องราวทั้งหลายล้วนแต่คลี่คลายมาตามเส้นทางกรรมทั้งสิน้นพี่ดีใจที่เห็นกวางเข้าวัดกวางเป็นคนบาปเข้าวัดเผื่อจะล้างมนทินออกจากใจได้บ้าง หล่อนตอบด้วยซุ่มเสียงแฝงความน้อยใจเต็มเปี่ยมชายหนุ่มยิ้มให้กำลังใจใครบอกกวางเนะทำบุญมากกว่าบาปเยอะต้องเรียกว่าคนใจบุญไม่ใช่คนบาปที่ไหนหรอกหญิงสาวอึ้องเงียบไปครู่กระพริบตาทีหนึ่งก่อนเอ่ยพลางหันไปมองพระประธานทองช่วงที่ผ่านมากวางคิดไม่ดีตลอดจนรู้สึกกลุ้มใจเริ่มเชื่อแล้วล่ะคะ่ะว่าผลกรรมมีจริงและสงสัยว่าตัวเองคงไม่แคล้วนรก รบชนะเลิกคิ้วฉงนมีเรื่องอะไรหรือกวางคิดมากฟุ้งซ่านจิตใจมืดไปหมดแล้วก็ถูกคนใส่ร้ายบ่อยจนเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญพอหลับก็ฝันไม่ดีคิดถึงแต่คำพูดของตัวเองที่บอกว่าพระพุทธเจ้าสอนให้พินณะเห็นแก่ตัวสีหน้าชายหนุ่มเริ่มจริงจังขึ้นเพราะนึกได้ตามที่หล่อนกล่าวในพยสนสูตรพระพุทธองค์ทรงตรัสโทษของการติเตียนอริยเจ้าไว้ คือความชิบหายสิบประการแต่สี่ข้อสุดท้ายร้ายๆคือเป็นโรคอย่างหนักหนึ่งถึงความเป็นบ้ามีจิตฟุ้งซ่านหนึ่งเป็นผู้ตายด้วยอาการหลงหนึ่งและที่น่ากลัวกว่าอะไรคือเมื่อตายย่อมเข้าถึงอบายทุคติวินิบาตนรกเรียกว่าทากรรมเดียวให้พลหลายประการครบสูตรและที่ใจนุตติเตียนอย่างไม่เป็นธรรมไว้นั้นก็ไม่ใช่แค่อริยะธรรมดา แต่เป็นถึงมหาอริยะเป็นจอมอรหันต์เป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ถ้าเป็นพวกบาปหนาะก็จะไม่รู้สึกสะทกสะเทือนอะไรเลยโอกาสสำนึกจึงยากและไม่เชื่อว่าที่กำลังประสบเคราะห์ทั้งภายนอกภายในจะมีเหตุจากการปรามาต์พระพุทธเจ้าแต่ยังดีพื้นจิตพื้นใจของหล่อนนั้นเป็นกุศลผู้มีพื้นจิตเป็นกุศลนั้น ขณะทำบาปหนักจะรู้สึกเคว้งงงโครงเคลงหลังทำบาปแล้วจะไม่สบายใจครุ่นคิดกังวลปักติดค้างคายอยู่กับบาปนั้นๆไม่เลิกสเสวยผลกรรมอันเป็นปัจจุบันซึ่งก็ดีอย่างหนึ่งคือเปิดโอกาสให้คิดแก้ตัวก่อนสายอายุมนุษย์ปัจจุบันยาวพอจะกลับตัวกลับใจมีเวลาพอจะเปลี่ยนเส้นทางรบชนะเม้มปากเล็กน้อยคิดจะช่วยเหลื อ, ออดีตคนรักเต็มกำลังเพราะว่าไป ตนก็มีส่วนให้หล่อนเคราะห์ร้ายอยู่มากทุกคนเห็นแก่ตัวกันอยู่แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เลิกเห็นแก่ตัวต่างหากถ้ากวางมองตามจริงอย่างนี้ได้ก็เรียกว่าช่วยละลายกรรมให้เจือจางลงกว่าครึ่งแล้วใจนุชก้มหน้าสลดพอกวางสํานึกผิดกวางก็พยายามหาหนังสือธรรมะมาอ่านเหมือนกันละค่ะอ่านตั้งแต่ประวัติความเป็นมาก่อนเจ้าชายสิทธัตถะออกพนวดแล้วได้กลับมาโปรดพระประยุรญาต์รวมทั้งพระชายา ก็รู้สึกแล้วว่าพระองค์ท่านมีพระทัยเมตตามหาศาล ร, รบชนะพยักหน้าพูดแบบไม่ให้อีกฝ่ายเสียขวัญและมองเป็นเรื่องเล็กที่แก้ไขง่ายดีแล้วแก้ด้วยความเข้าใจล้างด้วยความเห็นชอบเห็นถูกเห็นตามจริงคือการเริ่มต้นใหม่ที่แข็งแรงมองกันตามจริงนะโลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยสิ่งลามกกระตุ้นให้คิดแต่เรื่องร้ายมากกว่าเรื่องดี ก็เป็นธรรมดาที่ใจเราจะหลงหลงตกไปตามกระแสโลกบ้างแต่ถ้าพื้นจิตเป็นกุศลอย่างกวางก็ไม่เป็นไรมากหรอกกลับลำทันถมเถมันคิดดีเหมือนเติมน้าละลายเกลือก้อนเล็กเดี๋ยวเดียวก็หมดความเค็มไปเองพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้กวางพยายามคิดดีแต่ก็ไม่เลิกคิดชั่วร้ายสัทีนิคะมันผุดขึ้นในหัวเป็นระยะระยะทรมานเหลือเกินหญิงสาวเหลือบตาอันฉาบแววกังวลมหา ชายหนุ่มยิ้มอบอุ่นตอบพี่ถามหน่อยที่กวางคิดไม่ดีนั้นตั้งใจคิดหรือเปล่าเปล่าค่ะมันผุดขึ้นมาเองและยิ่งกังวลก็เหมือนยิ่งคิดบ่อยขึ้นทุกทีงั้นถามอีกคำใจจริงกวางอยากกราบหรือคิดกับพระดีๆมากกว่าใช่ไหมค่ะนี่แหละจิตของเราส่วนที่ควบคุมไม่ได้คือการแสดงตัวของอนัตตามันไม่ใช่ตัวเราส่วนที่ควบคุมได้คืออุปาทานว่าเป็นเรา เราทำได้แค่กับส่วนที่เป็นเราอย่างตอนนี้กวางลองทำตามที่พี่บอกนะอา้าวยกมือไหว้พระไหว้สวยๆเลยนะใจนุชปฏิบัติตามก้มหน้าพนมมือจดหน้าผากด้วยกริยานอบน้อมยิ่งคราวนี้ตั้งจิตอธิษฐานว่านี่คือใจจริงของหนูเห็นเข้ามาให้ตรงตามจริงว่าใจของเราเป็นอย่างไรมีความสบายใช่ไหมหล่อนลดมือลงและหันมาตอบเขายิ้มยิ้ม นั่นแหละดีแล้วต่อไปนี้พอคิดไม่ดีขึ้นมาอีกก็ถือเป็นโอกาสเรียนรู้ความจริงว่าจิตไม่ใช่เราความคิดไม่ใช่เราเราไม่ใช่เจ้าของที่จะไปบัญชามันได้ดังใจแค่เรามีใจจริงเคารพพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ดีพอแล้วสบายใจได้แล้วอนัตตาอยากส่งความคิดอะไรมารบกวนก็ช่างมันดูก็พอว่าที่ลมหายใจนี้ความคิดร้ายอยู่ในหัวเรา ลมหายใจต่อไปยังอยู่อีกหรือเปล่าถ้าไม่อยู่ก็แปลว่ามันรั้งตัวเองไว้ทรมานใจเราไม่ได้นานเหมือนกันมีความไม่เที่ยงมีอันต้องแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกันใจนุตรองตามแล้วเริ่มเห็นเขาว่าตนจะสบายใจขึ้นได้อย่างไรค่ะกวางจะทำตามนั้นแล้วเธอก็มีสีหน้าสดชื่นขึ้นกวางเจอหนังสือธรรมะเล่มหนึ่ง เขาบอกว่าถ้าไม่สบายใจอะไรให้ทำทานมากๆช่วยเหลือคนอื่นมากๆแต่อย่าหวังผลแล้วจะมีความสุขมากขึ้นตามหลักเบื้องต้นของพุทธศาสนากวางลองแล้วแต่ไม่เป็นสุขขึ้นเลยพี่ณช่วยบอกหน่อยสิคะว่ากวางเข้าใจอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเมื่อกําหนดวาราจิตคนได้ก็ง่ายต่อการยิงเข้าเป้าตรงกับเงื่อนปมปัญหา รบชนะเห็นจิตใจที่แห้งแล้งขณะทำบุญของใจนุชเพราะเหตุที่เธอห้ามตัวเองไม่ให้คิดหวังจนเกินไปถ้าทำบุญด้วยความโลภ ก, ก็เป็นสุดโต่งความผิดพลาดในการทำทานด้านหนึ่งคือทำแบบนักลงทุนไม่ได้ทำแบบผู้สแสวงบุญแต่ถ้าไปคิดผิดแบบใหม่คือทำบุญต้องไม่ได้อะไรเลยห้ามหวังอะไรเลยอย่างนั้นก็เป็นสุดโต่งความผิดพลาดในการทำทานอีกด้านหนึ่งคือมีแต่กรรมทางกาย กำทังใจหดหายเกือบหมดการให้ทานต้องให้ด้วยความเต็มใจปรารถนาจะให้อยู่ก่อนและขณะให้ทานต้องปลื้มใจในบุญหลังให้ทานต้องคิดถึงความน่าชื่นใจในการสละความตรณีถ้าให้ดีก็คืออธิษฐานว่าขอบุญนี้จงเป็นตัวอย่างเป็นพื้นฐานในการสละกิเลสยิ่งยิ่งขึ้นไปใจนุดยิ้มด้วยสีหน้าบ่งบอกว่าเข้าใจกระจ่าง รบชนะปลอยปราบปลื้มที่ช่วยให้หล่อนพ้นจากนรกทางใจเสียได้ในเวลาอันสั้นถ้าวิธีคิดต่างไปชีวิตทั้งชีวิตของเราก็จะต่างไปแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดมาของทุกคนผิดหมดนึกว่าทำเพื่อตัวเองแล้วจะยิ่งเป็นสุขแต่แท้ที่จริงเป็นที่มาของความตรนีความแรงน้ำใจอันเป็นฝ่ายทุกทั้งสิน้นแต่เมื่อตั้งต้นคิดถูกนับเป็นการรู้จักให้รู้จักสละเป็น ความทุกข์ที่หวงไว้กอดไว้กับอกก็จะเริ่มถอยห่างออกไปทีละน้อยหญิงสาวหยอดเงินใส่ตู้ทำบุญภายในวิหารจนครบทุกตู้หย่อนธนบัตรแต่ละครั้งก็อธิฐานตามคำแนะนำของรบชนะจนกระทั่งถึงตู้สุดท้ายก็ใจว่างเบาเกิดปิติเป็นล้นพ้นเมื่อก้าวออกจากวิหารก็เอ่ยปากขอแนวทางปฏิบัติธรรมจากชายหนุ่มอีกครั้งและครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ ด้วยความเต็มใจของหลอนเองรบชนะจึงถือโอกาสมอบสมุดบันทึกหลายเล่มให้กับหลอนบอกให้หลอนอ่านอย่างละเอียดและลองทำตามนั้นดูเขาจะคอยเป็นพี่เลี้ยงให้เทียนต่อเทียนคือความสว่างสวายอบอุ่นยิ่งยิ่งขึ้นกุศลต่อกุศลคือมหากุศลที่ยังให้โลกร่มเย็นเป็นสุข ไดนุชใช้เวลาเป็นสามเท่าของรบชนะคือเกือบสองปีกำลังใจจึงแก่กล้าพอจะสละทิฏฐิว่าขันห้าเป็นตัวตนแต่นั่นก็คุ้มเหลือจะคุ้มต่อให้ต้องใช้เวลาเจ็ดปีก็คุ้มในเมื่อเดินตามทางตรงแล้วสุดท้ายต้องได้ผลวันยังคำ่ำ